ถามว่ามีไหมไม่มีนะฮะแต่ว่ามันก็เหมือนแอบ ด, ดีใจที่ว่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ความรู้สึกของคำว่าคาว่าปล่อยวางอะฮะมันเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆผมใช้คำว่าเข้าใจแต่ไม่มีคำว่าผมเข้าใจนะฮะ <laughs> <laughs> นัขอ นะครับก็เข้าใจจริงๆครับผมว่าการการไม่ยึดมันคืออะไรมาขึ้นตามลำดับนะฮะนับจากบางครั้งแอบย้อนไปในอดีตนะนึกถึงตอนที่เพิ่งมีโอกาสตราบลงตาครั้งแรกตอนนั้นผมก็ว่าเข้าใจมากแล้วแต่มาถึงวันนี้ฮะผมยิงเข้าใจการการไม่ยึดมากยิ่งขึ้น เป็นลําดับเรื่อยๆฮะแล้วก็การแอบอยู่ลึกๆในการจะเอาผมมีความรู้สึกว่ามันน้อยลงมันไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยได้แอบเหมือนก่อนเมื่อก่อนอยังมีการแอบอยู่ลึกๆเหมือนกับพวงว่ามันจะเผลอมันจะเปิดมันจะอะไรเงี้ยมันก็จะมีแอบทําอยู่ ไอ้ตอนนี้รู้สึกได้ว่าไอ้การแอบแบบนั้นเรารู้ทันมากขึ้นพอมันจะเริ่มกระดิกจะทำะเราก็จะรู้ทันก็แบบบางครั้งก็แอ บ, บยิ้มใส่มานิดนึงว่ากูเห็นนะเว้ยอะไรเงี้ยมันก็เป็นลักษณะยอย่างนั้นมากกว่าปัญหาในใจจริงๆไม่มีมันต้องเลยดี่ไปอีก ไปตัวที่มันดีใจพึงพอใจทําได้ถูกใจทั้งดูทั้งเห็นทั้งเข้าใจพวกนี้ให้เห็นว่าเป็นสังขารพุงแต่งแล้วก็เห็นว่ามันเป็นอาการไว้ไหวไว้ไหวเป็นอาการกับเพื่อนผงใจทั้งดีใจทั้งถูกใจทั้งพอใจทั้งเข้าใจทั้งดูทั้งเห็นทั้งเป็น สารัดเนี่ยเราเห็นมันเป็นอาการและมันเป็นการไหวตัวของจิตเป็นการกระเพื่อมเป็นการเกิดได้ดับได้เป็นการจะเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวราบเรียบเดี๋ยวพองใสเดี๋ยวเศร้าหมองได้เป็พวกเหล่าเนี้ยมันเป็นอาการของจิตเป็นเงาของใจจะเรียกว่าเงาของใจอาการของจิตหรือเงาของใจเป็นสังขารองแต่ง เลยอาการไปทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏเลยมันจะเป็นความรู้สึกว่างเลยนะเป็นความไม่มีอะไรปรากฏมีแต่อาการของจิตหรือว่าเงาของใจหรือว่าพฤติแห่งจิตที่หลวงปูด่ดูลย์ใก้คำว่าพฤติแห่งจิตหรือกิริยาการของจิตหรือทุกคิดทุกอาการหรือความดีใจความทตกใจความพึงพอใจความรู้ความเห็นความก้าวใจอาการของไสอาการอะไรก็ตามเนี่ย หรือว่ามันผ่องใสแล้วก็เสารหมองอะไรต่างเห็นไป็นอาการกลับเครื่อเหล่าเนี้ยมันก็คงมีเกิดๆ ด, ดับๆของมันตามธรรมชาติเกิดๆดับๆเกิดๆดับๆแต่ไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นเลยน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีผู้สำรวยผู้ยึดมัม่นถือมั่นผู้รองรับไม่มีมีแต่เห็นมีแต่อาการเหล่าเนี้ยมันเกิดในอิสระแล ะ, ยยและดับไปในอิสระเกิดในอินสระแล้วดับไปในอิสระ เลยอาการเหล่านี้ไปไม่มีอะไรอีกเลยไม่มีอะไรอีกไม่ใช่เป็นการรู้สึกว่าไม่มีอะไรอีกเลยไม่มีแม้แต่มีผู้ไปดูไปรู้เลยอาการเหล่านี้ไปคงปล่อยอาการเหล่านี้มันมีอยู่คือเกิดดับดับเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติแต่ไม่มีใครไปยึดถืออาการเหล่านี้เลยอาการมันแต่ปรงแต่งเกิดขึ้นเองแล้วดับไปทุกอาการเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปไม่มีใครพยายามไปดูไปรู้มันไม่มีใครพยายามไปดูไปรู้อาการเลยนะ เห็นต่อเพียงว่ามีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเห็นมีแต่อย่างเนี้ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาและสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนิจจังตุกขานัตตา S <S เห็นแต่ก่อนว่าสิ่งใดทั้งหมดมีแต่สิ่งใดทั้งหมดยังเกิดขึ้นมาขึ้นรลดับไปเป็นธรรดาไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดถือพอเห็นว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา <S <S เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นอกเหนือบังคับของเราทั้งหมดไม่มีใครไปเกี่ยวข้องไม่มีใครไปยึดถือไม่มีใครบังคับไม่มีใครไปแทรกแซงส่วน จะบอกส่วนตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับเหมือนกับเป็นเป็นสัพนามแล้วไม่ใช่เป็นตัวเราจริงเป็นสัพนามคือส่วนสัพนามที่พูดกันเนี่ยแต่งกันให้เข้าใจคือเราเนี่ยแท้จริงเนี่ยเป็นเราแท้แ้จริงเนี่ยคือเหมือนกับเป็นจิตดั้งเดิมแต่แทนหรือใจดังเดิมแต่แทนหรือเป็นมหาสุญญตาละเป็นมหาสุญญตาหรือเป็นจักรวาลเดิมไม่มีอะไรปรากฏเลยกว่าส่วนความรู้สึกที่ว่างเนี่ยอันนั้นเป็นเป็นเป็นสุขเวทนาไม่ใช่ เพราในความรู้สึกที่ว่างมันมีมันมีตัวเราผู้ไปรู้ความรู้สึกว่างแล้วม่มีตัวปรงแต่งแต่ทั้งในความรู้สึกที่ว่างและในในความปรงแต่งไม่มีใครเป็นสวยไม่มีใครไปยองไปลองรับนั่นจึงเรียกว่าสิ้นผู้งเสวยสิ้นสิ้นผู้ลองรับสิ้นผู้พยายามไปดูไปรู้สิ้นพยายามไปทําอะไรให้เป็นอะไรเันไอ้ที่ว่างอยู่ก็ยังไม่ใช่ไอ้ที่ว่างอยู่ก็คือในความว่างมีตัวเราในพูดอยู่คิดติกต้องอยู่ แต่เห็นว่าทั้งในความว่างและในความที่มีตัวเราที่คิดอยู่ติดตออยู่ผู้ดูเนี่ยเป็นสังขารไม่เทียงไม่มีใครไปยึดทั้งหมดไม่มีใครไปให้ค่าให้ความต้องการต่อสิ่งใดเลยไม่มีใครไปให้าให้ความต้องการมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วสิ่งทั้งหมดนั้นจมดับไปเป็นธรรมดาไม่อาจยึดบ้านถึงมันได้ไม่มีตัวเราปรากฏขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีไม่มีตัวเราปรากฏเลยไม่มีตัวใจไม่มีตัวตนของผู้รู้ ผมปล่อให้ทุกสังขารทั้งหมดเกิดเองดับเองเกิดเองแล้วเขาก็ดับเองเกิดเองแล้วก็ดับเองเกิดเองแล้ ว, ว, ด, ด, ล ว, ว ด, ดับเองมีแต่แค่เนี้ยก็เป็นไปตรงกับที่ว่าอัญญกนธัญญาที่ฟังธรรมจักรกับพระนัสสูทิพุตเจ้าแสดงจบปุ๊กอัญญยยะยักลัญญาก็รู้เลยอั ญ, ญโกนธนลธัญญารู้แล้วหนอคืออะไร ยังกินจสมุทิยะธรรมังปัพตังนิโรธธรรมันติโอมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาหรือมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปเองเกิดขึ้นเองแล้วดับไปเองเกิดขึ้นเองแล้วดับไปเองโอ้มีแต่แค่นี้เองอะนอกจากอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรเลยพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเทศต่อเรื่องอนัตตากรณ์สูตรว่าสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเองแล้วดับขึ้นมาเองน่ะ ที่เป็นสังขารร่างกายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาสิ่งที่ปรุงแตง่งมาก็ต้องดับไปไมีอะไไปเป็นอนนีจังทุกขังวลตาเวทนาก็รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกาที่ถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางกลก็เป็นเวทนาก็เป็นสิ่งที่เป็นอันนี้จังทุกขังอนลตาไม่ใช่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราสัญญาก็เป็นอนนีจังทุกขังอนลตาสังขารก็เป็นอนนีจังทุกขังวลตาวิญญาณก็เป็นอนนีจังทุกข์กังวลตา ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยที่เห็นว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นยอดดับไปเป็นธรรมดานั้นสิ่งที่เกิดและดับไปนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราควรหรือที่พวกเธอจะไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราให้เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าพระสาวกก็ตอบว่าปัญจุันทีก็ตอบว่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นทุกข์เธอควรหรือที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแต่ทั้งที่เธอเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ควรหรือที่เธอจะเข้าไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราสาวบกว่าไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะ ปล่อยวางหมดบรรลุอรหันต์หมดเลยตั้งห้าโอปจากักรวิกีก็มีพุทธพจน์รองรับอยู่สิ่งที่ที่สอนเนี่ยสิ่งที่ให้รู้ให้เห็นเนี่ยมีพุทธพจน์รองรับให้มันรู้จากใจจริงๆรู้สึกจักใจจริงๆไม่ใช่คิดเอาต้องเว้นขาดจากการพยายามไปดูพยายามไปรู้พยายามไปเห็นพยายามจะทําอะไรให้เป็นอะไรพยายามเว้นขาดจากการใช้การคิดวิเคราะห์ ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองทุกกิริยาการเกิดขึ้นเองระดับเองเกิดขึ้นเองระดับเอ ง, เองให้เห็นว่าเป็นยังกินจิตสมุยทยะธรรมังตปพพันตังตนิโรธาธรรมนติดีตามที่เป็นในพระธรรมจักรวรรดิสูตรให้เป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายมีแต่เกิดขึ้นเองแล้วก็ดับเองเกิดขึ้นเองสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ก็เพิ่มขึ้นไหวตัวขึ้นสิ่งเหล่านั้นย่อมดับไปเสีย ท, สทั้งหมดสิจึงเรียกว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมนติ สิ่งใดที่หนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมามีการไหวตัวขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมามีกิริยาการใดขึ้นมาเป็นธรรมดาที่เขาเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาของเขาสิ่งเหล่านั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ กลัวหรือพวกเธอจะไปหลงเอาสิ่งที่มันไม่เที่ยงสิ่งที่มันเป็นทุกตนอยูสกกส่สภาพเดิมไม่ได้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวน ต, ว ต, ว ต, ว Instead, ตวนของเราเธอก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะเธอยึดสิ่งที่มันยึดไม่ได้เธอไปหลงยึดกับสิ่งที่มันยึดไม่ได้เธอจะต้องทุกข์แน่นอนเพราะว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงกระชื่นกับระบบไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์แล้วเธอไปยึดสิ่งที่มันไม่เที่ยงและต้องเป็นทุกข์เธอจะกลัวหรือไปยึดมันให้เป็นทุกข์ื่อมันยึดไม่ได้แล้วเธอยังพยายามไปยึดมัน มันเลยต้องเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเพราะความพัาดพลาดเพราะความไม่สมหวงังเพราะความไม่มปรารถนาเพราะความไม่ได้อย่างใจพอเธอไปยึดสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เธอจึงต้องมีความทุกข์ที่พระเจ้าตรัสสาวกเห็นด้วยเห็นจริงด้วยจากใจก็บรรลุอรหันต์หมดเลย